เพราะความลุ่มหลงโลภทรัพย์เอาแต่สั่งสมไว้และปรารถนาการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปราชาลุกราณมีใ้ทั้งแผ่นดินรอบรองปัตพีจรวดสาครไม่อิ่มแค่ฝั่งสมุดข้างนี้ยังปรารถนาฝั่งสมุดข้างน้นอีกทั้งพระราชาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมากอย่างมิทันสิ้นความทะเยอทะยานก็เข้าถึงความตาย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 การมีทรัพย์สั่งสมไว้ไม่ใช่ประโยชน์เป็นสิ่งหาสาระอันใดมิได้ยิ่งยึดติดเป็นาธาตุของมันมีทุกข์เพราะมันก็ยิ่งเป็นความชั่วร้ายซ้ำหนักเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้ใจ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังฆาวัตถุทั้งสี่แบ่งปันกันไปบ้าง